คนเรามาวัดนะก็ด้วยสาเหตุต่างๆกันแต่ถ้าพูดถึงคนกลุ่มใหญ่แล้วเนี่ยสาเหตุหลักๆนะที่มาวัดก็มาเพื่อหาสิ่งปลอบประโลมใจและให้ความหวังอย่างเช่นคนที่เจ็บป่วยนะมาวัดก็อยากจะให้พระนี่รดน้ำมนต์ให้ จะได้หายป่วยหรือว่าทำมาค้าไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะก็หวังว่าถ้ามาทำบุญแล้วกิจการจะพ้นจากอุปสรรคหรือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองแล้วคนที่สูญเสียคนรักมาวัดเนี่ยก็เพื่อจะได้มาทำบุญ เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ร่วงลักให้เกิดความสบายใจว่าคนที่ตัวเองรักเขาจะได้ประสบสุขในสัมป라이ภกหรือว่าบางทีก็รู้สึกผิดนะที่ตอนที่เขามีชีวิตอยู่ก็ไม่ค่อยได้ดูแลเขาเมื่อเขาจากไปก็อยากจะทำสิ่งดีๆให้กับเขานะก็มาวัดมาถวายสังฆทาน บางคนก็มาวัดเพื่อสะดากเคราะห์อาจจะมีปัญหาเรื่องการเรียนมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์มีปัญหาในการทำงานซึ่งรวมถึงเจ็บป่วยด้วยนะก็มาวัดเพื่อสะดอกเคราะห์ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการปลอบประโลมใจทำให้มีความหวังว่า ชีวิตที่มันตกต่ำย่ำแย่นะั้ก็จะดีขึ้นหรือบางคนอาจจะไม่ได้มีความทุกข์ไม่ได้มีเรื่องเดือดื้อนร้อนใจอะไรมากชีวิตก็ราบรื่นอยู่แล้วนะแต่ก็ยังอยากจะได้ความหวังกาลังใจนะมาทำบุญนะเพื่อจะได้เกิดสิริมงคลทำให้เกิดโชคลาภ ทำไห้เกิดความบัางมีสีสุขอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักๆนะที่ผู้คนส่วนใหญ่มาวัดกันบางคนของหายนะโทรศัพท์มือถือหายหรือว่ารถอาจจะถูกขโมยมาวัดนะก็ให้หลวงพ่อหลวงตาท่านาช่วยนั่งทางหนให้นะหรือว่า ให้ความหวังว่าของที่หายมันจะได้คืนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคงเห็นได้ทั่วไปนะบางทีพวกเราเองนะก็อาจจะเคยมาวัดด้วยสายเหตุนี้ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เวลวร้ายหรือเสียหายอะไรเพราะคนเราในยามที่มีความทุกข์ ถ้ามีอะไรช่วยปลอบประโลมใจบ้างมันก็ทําให้สามารถที่จะอยู่กับความทุกข์ได้โดยมีความหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยความทุกข์มันจะหายไปหรือว่าอย่างที่บอกนะถือไม่มีความทุกข์แต่ว่ามาวัดแล้วก็จะได้เกิดความหวังว่าจะได้มีความเจริญ อายุมั่นขวัญยืนมีโชคมีลาบอย่างเวลามาทำบุญนะที่วัดเนี่ยก็อยากจะให้พระนี่ให้พรนะอายุวันนะสุขาพละนะปฏิพ า, านธนสารสมบัติเป็นต้นได้ฟังแล้วหรือว่าได้รับพรแล้วบางทีก็ไม่รู้ความหมายนะเพราะพระท่านให้พรเป็นภาษาบาลี หรือว่านิมนต์พระมาทําบุญเลี้ยงพระนะก็พระทานก็สวดเจริญพุทธมนต์ฟังไม่ออกนะแต่ก็เชื่อว่าเมื่อนิมนต์พระมาสวดแล้วนี่มันก็จะเกิดเป็นสิริมงคลปกแพ่มาถึงบ้านทําให้บ้านนั้นอยู่เย็นเป็นสุขหรือว่าทําให้อญาติโ ย, ยมทั้งหลายนี่ มีความสุขความเจริญอันนี้จะว่าไปมันก็เป็นหน้าที่หนึ่งนะของพระเป็นหน้าที่หนึ่งของวัดหรือจะว่าไปก็เป็นหน้าที่หนึ่งของศาสนาคือการให้ความหวังลอบประโลมใจนะซึ่งมันก็เป็นทางออกอันหนึง่งซึ่งอาจจะดีกว่านะการที่หันไปหาเล่าหันไปหายาเสพติด นะเพื่อจะคลายทุกข์หรือไม่ก็หันไปหาทางออกที่มันผิดศีลธรรมเช่นธุรกิจล้มละลายก็ไม่มีความหวังไม่มีที่พึ่งอันใดนะก็ไปป้นไปจี้ไปรักขโมยอันนั้นมันก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่หรือว่าบางทีหมดหนทางแล้วนะผิดหวังในความรัก ธุรกิจล้มละลายป่วยหนักรักษาไม่หายก็ค่าตัวตายอันนี้ก็เป็นทางออกทางเลือกของคนจำนวนมากที่ไม่มีความหวังศาสนาไม่ว่าศาสนาใดรุทธนะิพุทธศาสนานาที่ส่วนก็คือให้ความหวังคนทำให้มีกำลังใจที่จะอยู่กับโลกหรือว่าสู้กับอุปสรรคต่อไป แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะวัดเนี่ยหรือศาสนาเนี่ยโดยพระศาสนาพุทธเนี่ยมันไม่ได้ทำหน้าที่แค่นั้นนะหน้าที่สำคัญอันเนื้อคือทำให้คนเนี่ยได้เห็นความจริงให้ความจริงบางอย่างนี่มันก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่คนอยากจะรับรู้เท่าไหร่แต่ก็จำเป็น นะเช่นขณะที่พระท่านให้พรว่าอายุวันณนะัสุขะพระนะขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนขอให้มีสุขภาพดีขอให้มีกาลังวังชาเนี่ยท่านก็สอนไปในเวลาเดียวกันนะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงนะคนเราเนี่ยไม่ว่าจะมีอายุยืนแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องตายไม่ว่าจะมีกำลังวังชาแค่ไหนสุดท้ายก็หมดเรี่ยวหมดแรงเพราะแก่ชารา แม้แต่ความมั่งมีนะขณะที่พระท่านนะบางครั้งก็ให้พรว่าขอให้มีความมั่งมีสีสุขท่านก็จะบอกในเวลาเดียวกันว่าให้ความมั่งมนะีมันก็ไม่ใช่เป็นสารณะประเสริฐเท่าไหร่หมายความว่าแม้แต่มั่งมีนะมันก็ไม่ใช่ทาให้มีความสุขอย่างแท้จริง คนรวยนะแต่ว่ากลุ่มใจเครียดเป็นโรคประสาทหรื อ, อย่างต่ำๆนอนไม่หลับอันนี้มีเยอะมากนะมีนำซ้ำเนี่ยถ้าไปรุ่มหลงกับมันมากเนี่ยมันก็ชักนำให้ทำความชั่วได้เช่นไปโกงไปลักขโมยหรือถึงแม้จ ะ, ะไม่ทำอย่างนั้นแต่ความจริงอย่างนึงคือว่าของพวกนี้มันไม่เที่ยง ทรัพย์ที่มีสมบัติที่สะสมมาอาจจะมีกยนเป็นไปนะถูกแย่งชิงไปหรือว่าเสื่อมถอยนะหุ้นนะที่เคยทำความมั่งคั่งร่ำรวยให้วันนี้คืนดีหุ้นราคาตกนะก็กลายเป็นนะยาจกหรือว่าเป็นนี่เป็นสินไปก็มีคือมันไม่เที่ยง เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอามันเป็นสาระไม่ได้อันนี้ก็เป็นความจริงนะที่เราก็ต้องรับรู้ด้วยมาวัดเนี่ยก็ต้องเปิดหูนะเปิดตาเปิดใจรับฟังเรื่องพวกนี้ด้วยาไม่ใช่แต่รอสิ่งปลอบประโลมใจหรือว่าคำมั่นสัญญาว่ามาทำบุญแล้วจะรวยรวยรวย แม่รวยจริงนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้มีความสุขอย่างแท้จริงและมีนําซ้ำเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะรวยไปได้ตลอดกาลนะมันก็ต้องมีขึ้นมีลงบ้างเพราะมันไม่เที่ยงนอกจากว่าสรพรพสิง่งไม่เที่ยงแล้วพุทธศาสนาก็ยังสอนนะว่าทุกอย่างเป็นทุกนะเป็นทุกก็ว่าเป็นทุกนี่ มันหมายความว่ามันเสื่อมนะมันดับมันก็คล้ายๆกับอันดิจังหรือความไม่เที่ยงนั่นแหละนะแต่มันเป็นความไม่เที่ยงในทางเสื่อมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะมันมันรุนลแต่ไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้ร่างกายที่หนุ่มนะที่สาวสุดท้ายก็ต้องแก่ต้องชาราหรือว่าต้องเจ็บต้องป่วย บ้านเรือนนะก็ต้องมีวันเสื่อมมีวันผุพังไปชื่อเสียงกิตติยศที่มีนะในที่สุดมันก็ต้องเสื่อมต้องดับไปอันนี้คือความจริงนะที่พุทธศาสนานี่นะก็บอกเราอยู่บ่อยๆมาวัดเนี่ยบางทีพระท่านก็พูดเรื่องนี้แหละ มันคือความจริงนะที่คนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากฟังอยากจะฟังแต่สิ่งดีๆว่ารวยรวยรวยนะแต่ว่าพอพาท่านพูดว่าเนี่ยไอ้สิ่งที่มีไม่นานมันก็ต้องหมดไปสิ่งที่ได้มาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียไปนะไม่ว่าจะเจอกัน แน่นแฟนแน่นนาแค่ไหนในฐานะของเพื่อนในฐานะของคนรักสุดท้ายก็ต้องจากพบกับพรากนี่เป็นของคู่กันอันนี้คือความจริงนะที่ถ้าไม่เจอวันนี้นะมันก็รอเราวันหน้าอย่างที่บทธรรมวัดเช้าเนี่ยทุกเช้าก็จะเราก็จะสวดนะเราทั้งร้ายเนี่ย เป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนะอันนี้ก็คือคำสอนหรือความจริงนะทีะ่เราต้องเปิดใจฟังไม่ใช่เปิดรับแต่คำให้พรของพระว่าอายุวันโนสุ ข, ขังพลังนะอันนั้นคือสิ่งดีๆนะที่มันเป็นบวกแต่ว่า พร้อมๆกันนะั้นมันก็มีสิ่งที่เป็นลบเกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วยเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วก็หมายความว่าเนื้อตัวเราเนี่ยขณะนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีมันเป็นทุกข์ไม่ว่าเราจะนั่งในท่าไหนที่สบายที่สุดนะลอง พิจารณาดูนะเราอาจะรู้สึกว่านั่งพับเพียบนั่งคัสมะตอนนี้มันเมื่อยเราคิดว่าถ้านั่งเก้าอี้แล้วจะสบายมันก็สบายจริงนะแต่ถ้านั่งไปนานๆนี่มันก็เริ่มเมื่อยแล้วเราคิดว่าเออถ้าเราพิงเสาสักหน่อยนะมันจะสบายนะพอเปลี่ยเรียบบดมาพิงสามก็สบายจริงนะ ในความเมื่อยจากท่านนั่งคัดสมะมัก็หายไปแต่พอพิงเสาไม่เท่าไร่ไม่นานนะเดี๋ยวก็เริ่มเมื่อยแล้วคราวนี้ก็เริ่มเอ็นแล้วนะพอเอ็นลงไปนะที่แรกก็เอ็นแบบสหาสายญาติสบายแต่สักพักก็จะเมื่อยแล้วก็เลยอ่ะนอนงายดีกว่าการท่านนอนนี่ใครๆก็ชอบนะสบาย แต่เราก็คงสังเกตได้นะเรานอนไปนานๆเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงมันก็จะเริ่มเมื่อยแล้วก็ต้องมีการพลิกตัวอันนี้มันเป็นตัวอย่างนะว่าความทุกข์เนี่ยมันอยู่กับกายของเราตลอดเวลานะเพียงแต่ว่ามันจะแสดงตัวออกมาเมื่อไหรนะ่ช้าหรือเร็วอันนี้เราเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้ว เป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนะความทุกข์นั้นก็ได้แก่อะไรนะความแก่ความเจ็บความป่วยความพัดพรากอุปสรรคคําต่อว่าดาทอรวมทั้งความตายนั่นนี่ก็เป็นความจริงนะที่คนที่มาวัดจํานวนมากไม่อยากจะได้ยินไม่อยากได้ฟังอยากจะได้ฟังแต่คําอวยพรนะที่มันรื่นหู ที่ทำให้มีความหวังทำให้มีกำลังใจแต่ที่จริงการที่พระหรือว่าศาสนาเนี่ยพูดถึงความทุกขนะ์ในลักษณะต่างๆอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นนะที่เราจะที่เราควรจะรับรู้เอาไว้เพราะว่าถ้าเรารับรู้นะเราก็จะได้นะอย่างน้อยก็ มีความคุ้นกับมันเรืออจะมีความพร้อมมากขึ้นในการที่จะเผชิญกับมันถึงเวลาเจ็บเวลาป่วยถึงเวลาพัดพากสูญเสียถึงเวลาถูกต่อว่าด่าทอมันก็ทําใจได้เพราะว่าเตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนแล้วเตรียมตัวเตรียมใจจากอะไรนะอจากการที่ได้ยินพระท่านพูดหรือว่าได้ยิน ได้เรียนรู้จากคำสอนของพระพุทธเจ้าคนที่เอามืออุดหูไม่อยากเปิดใจรับฟังเรื่องแบบนี้เนี่ยนะพอถึงเวลาเจอความทุกข์เข้าก็เสียสูญได้ง่ายนะคนที่อยากจะได้ยินแต่พระพูดว่าร่ำรวยรวยรวยมั่งมีสีสุขไม่อยากจะฟัง ในเรื่องความไม่เที่ยงนะความทุกข์อันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยพอถึงเวลาเจอเข้าจริงๆเนี่ยนะเจอความทุกข์เจอความไม่เที่ยงคือเจอความไม่จริหลังฝ่ายลบนี่เรียกว่าเสียศูนย์ไปได้ง่ายๆเลยถ้าตรงข้ามคนที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็นำมาพิจารณาใคร่ครวนนะและเห็นจริงตามนั้นว่าเออข้างหน้าเรานี่มันวันนี้สูง ก, ก็จริงแต่ข้างหน้า อาจจะเจอทุกเจอความไม่เที่ยงก็มีการเตรียมตัวเตรียมใจไว้มันมีภา ษ, ษิตของฝรั่งนะก็บอกว่าเนี่ยให้เราหวังว่าจะได้พบสิ่งดี hope for the best แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเจอสิ่งที่แย่ prepare for the worst ให้เราหวังที่จะพบสิ่งดีๆนะแต่ก็พร้อมที่จะเจอสิ่งแย่ๆอันนี้มันเป็นหลักในการดำเนินชีวิตนะหลักในการอยู่ในโลกนี้แต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสนใจแค่ประโยคแรกหรือว่าลีแรกนะก็คือว่าหวังว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเรานะเวลามาวัดเนี่ยก็หรือมาทำบุญนะก็หวังว่าจะร่ารวย หวังว่าจะประสบโชคลาภหวังว่าจะถูกลอตเตอรี่หวังในสิ่งที่หวังในสิ่งดีๆที่อาจจะยังไม่เคยเกิดขึ้นกับเราเลยนะ mm hmm. เช่นถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือว่ามั่งคั่งร่ำรวยอันนี้หวังไว้บ้างก็ดีนะแต่ว่าถ้าทําแค่นั้นมันไม่พอหรอกมันต้องทาอย่างที่สองด้วยก็คือเตรียมหรือพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญ กับสิ่งที่แย่ๆด้วยชาวผู้เราจํานวนมากเนี่ยนะมาวัดก็เพื่อหวังจะได้เจอสิ่งดีๆนะแต่ว่าไม่ค่อยได้คิดที่จะเตรียมตัวไม่ได้คิดที่จะมาวัดเพื่อเตรียมพร้อมนะสําหรับการเผชิญสิ่งที่แย่ๆนะพวกเราเนี่ยถ้าจะมาที่นี่ น, นะก็อย่างที่สองเนี่ยสําคัญมาก หรือไม่ว่าจะไปวัดไหนก็ตามเนี่ยมาเพื่อที่จะมีความพร้อมมากขึ้นในการที่จะเผชิญกับสิ่งแย่ๆนะด้วยการที่เปิดใจฟังนะเวลาพระท่านสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตากิเลสของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยอยากจะรับรู้เรื่องพวกนี้หรอกไม่อยากจะรับรู้ว่านะสิ่งที่เรามีวันนี้นะวันหน้าจะแปรผัน ไม่อยากจะรับรู้ว่าร่างกายของเราวันนี้สุขก็จริงแต่วันหน้าก็แก่ชาราแล้วก็เจ็บป่วยและสุดท้ายก็ต้องตายไม่อยากจะรับรู้แม้กระทั่งว่าไอ้ตัวกูเนี่ยมันไม่มีจริงนะมันไม่มีอะไรที่จะยึดว่าเป็นตัวกูของกูได้สักอย่างอันนี้คือเรื่องอนัตตาแล้วเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก เป็นเรื่องที่จะเรียกว่าอัตตาหรือตัวโกูนี่มันมันไม่อยากจะฟังมันฟังยากที่สุดไอ้ความไม่จีรังนี่ก็พอจะเห็นอยู่นะทุกวันนี้ก็มันสักแสดงให้เห็นชัดนะอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกนะหรือว่ากลางวันแล้วก็กลางคืนอันนี้คืออัอนนี้จังไอ้ความทุกข์นี่ก็ยังพอเห็นนะ นั่งเนี่ยนั่งไปนานๆสักพักเดี๋ยวก็เมื่อยละถ้าไม่ขยับนี่ยิ่งเมื่อยใหญ่กินข้าวไปสักพักอ่ะปวดท้องแล้วถ้าไม่ไปเข้าห้องน้ําไม่ระบายถ่ายทุกมันก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นอันนี้ก็พอมองเห็นนะอันนี้จังทุกข์ขังเนี่ยแต่ว่าอนัตตานี่ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือว่าไม่มีตัวตนที่จะยึดมันถือมันได้เลยสักอย่างเดียวเนี่ย มันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแล้วก็ในจิตใจส่วนลึกมันก็ปฏิเสธเพราะว่ามันปรุงนะหรือว่าสร้างตัวกูขึ้นมาอย่างเหนียวแน่นคนสมัยนี้นี่เรื่องของตัวกูนี่เหนียวแน่นมากเวลาจะทำอะไรก็ต้องทำให้เหมือนใครนะเดี๋ยวนี้คำว่าเซลฟี่เนี่ยกลายเป็นเรื่องสำคัญนะของคนในยุคนี้จะทำอะไรก็ต้องประกาศให้โลกรู้ ผ่านทางโซเชียลมีเดียจะต้องอัพรูปนะสวยๆนะที่ถ่ายอย่างพิถีพิถนันหรือเลือกแล้วเลือกอีกจากสองร้อยภาพเหลือภาพเดียวเนะ่ไอรูปพวกนี้เราเรียกว่าเซลฟี่นะเซลฟี่ก็คืออะไรก็คือตัวกูนั่นแหละนะเดีย๋ยวนี้เซลฟี่เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากไอความยึดมั่นในตัวกูนปัจจุบันเนี่ยมันแน่นหนามากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา เวลามีอะไรมากระทบตัวกูเนี่ยมันมันรับไม่ได้นยิ่งให้ความความจริงที่ว่าสักวันหนึ่งนะให้ร่างกายนี้ก็ต้องเสื่อมต้องดับไปหรือว่าสักวันนึงเราก็ต้องตายเนี่ยมันรับได้ยากเหลือเกินมันใจมันจะต่อต้านขัดขืนต่อสู้ไม่อยากฟังแต่ยิ่งทำอย่างนั้นนะมันก็ยิ่งทุกข์นะเพราะว่าพอมีอะไรมากระทบ หรือมีอะไรเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราเคยยึดหรือกําลังยึดอยู่ว่าเป็นกูเป็นของกูเนี่ยมันจะทรมานมากนะเช่นเวลาร่างกายมันเริ่มเริ่มแก่นะเช่นเริ่มผมงอหนังก็เริ่มเหี่ยวเริ่มย่นร่างกายเริ่มหย่อนเลื่อนยานอ่ะทุกมากเลยจะพยายามทําอย่างไรให้มันตึง นะให้มันดูหนุ่มให้มันดูสายดูกระชุ่มกระชวยก็ทำได้ชั่วครูโชวยางแล้วมันก็เสื่อมใหม่เสร็จแล้วก็กลุ่มอกกุ้มใจแต่ถ้าเราเรียนรู้เรื่องอ น, นิจจันะทุกขังอนัตตาไว้นะเราเราเตรียมใจไว้ละนะถึงเวลามันเกิดขึ้นเราก็จะทุกน้อยลง แต่ว่าการที่เรามาเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกข์อนัตตาเนี่ยมันจะเข้าเข้าใจแต่ในระดับหัวสมองนี่มันไม่พอนะอเช่นไปเรียนรู้จากตําราหรือฟังครูบาอาจารย์พูดมาวา่าชีวิตเราความจริงนี่นะมันต้องหนีไม่พ้นอนิจจังทุกข์อนัตตาแค่นี้ไม่พอหรอกนะมันต้องฝึกจิตไว้ด้วยนะฝึกจิตไว้ด้ว ย, ยเช่นฝึกจิตให้ ให้ยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้เวลาเจอสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นะขึ้นมาเนี่ยแม้หัวนะหรือว่าเหตุผลมันจะบอกว่าเออมันเป็นความจริงนะแต่ว่าอารมณ์เนี่ยหรือจิตใจเนี่ยมันยอมรับไม่ได้เช่นเราก็รู้นะว่าความวิจารณ์นี่มันก็มีประโยชน์นะ อันนี้รู้ด้วยรู้ได้หัวแต่พอเจอคําวิจาร์เนี่ยโอ้ยใจมันยอมรับไม่ได้นะมันเกิดความโกรธความหงุดหงิดเราก็รู้นะว่าอะไรเรื่องมันก็ไม่เที่ยงทุกอย่างเนี่ยไม่สามารถจะควบคุมให้เป็นไปตามใจเราได้แต่เพียงแค่มีเสียงดังเสียงรถมอเตอร์ไซค์เสียงโรยงทรศัพท์ดังในห้องในศาลาเนี่ยหลายคนก็เริ่มหงุดหงิดทันทีเลย เพราะอะไรเพราใจมันไปต่อต้านใจมันไปต่อสู้ใจมันไปปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นไอต้ตรงนี้แหละเป็นเหตุแห่งความทุกข์นะเสียงดังเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ใจไอ้ความทุกข์ใจเนี่ยสาเหตุก็คือใจที่ไม่ยอมรับใจที่ผลักไสทั้งทั้งที่อาจจะรู้นะเออเสียงดังเป็นเรื่องธรรมดา นะอันนี้มันเป็นความคิดแต่ว่าใจเนี่ยมันยังไม่ยอมรับมันก็จะเกิดอาการผักสายเกิดการต่อต้านและยิ่งยิ่งไม่ชอบสิ่งใดนะใจวัยิ่งจดจ่อสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นถ้อยคาไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หรือตัวบุคคลเราไม่ชอบใครเนี่ยใจก็ยิ่งไปจดจ่ออยู่กับคนคนนั้น นะบางทีมีงานเลี้ยงนะคนเป็นร้อยแต่พอคนที่เราเกลียดเนี่ยหรือโกรธเนี่ยโผลมาในงานเนี่ยสายตาเราหรือทั้งเนื้อทั้งตัวเราก็จะไปจอ่อไปจดจ้องอยู่ที่คนคนนั้นแหละทั้งที่เข า, า จ, จะอยู่ไกลเขาพูดอะไรไปก็เอาหูเงียเงียหูฟังว่าเขาพูดอะไรทั้งที่ไม่ชอบเขานะแต่ยิ่งจดยิ่งจอ่อ คอมเมนต์ในเฟซบุ๊กในไลน์เนี่ยประโยคไหนที่เราไม่ชอบเนี่ยเรายิ่งเก็บเอามาคิดหรือว่ามาดูซ้ําแล้วซ้ําเหล่าซ้ําแล้วซ้ําเหล่าดูอยู่นั่นแหละนะเพราะอะไรนะยิ่งเกลียดมันก็ยิ่งยิ่งจดจอ่อและทั้งที่ใจามาผักสายนะแต่ว่าในอีกด้านเนี่ยมันก็ยิ่งตดจ่อมากขึ้นและเกิดอะไรขึ้นตามมาเกิดความกรัเกิดความหงุดหงิดนะเกิดความทุกข์ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันต้องฝึกนะใจเราด้วยนะเพียงแค่ว่าเออเราอ่านเราได้ฟังได้ยินว่ามันอะไรก็ไม่เที่ยงอะไรมันก็ไม่เป็นไปดังใจนะแต่ใจเราไม่ได้ฝึกนะโดยพาะฝึกให้มีสติเนี่ยมันก็จะไปจดจอ ม, มก็จะไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบนะเหตุการณ์ผ่านไปนานแล้วผ่านไปเป็นปีบางที10ปีนะ ก็ยังชอบหวนคิดถึงมันคนที่โกหกหักหลังเราคนที่โกงเงินเราคนที่ยืมเงินไปแล้วไม่ใช้เงินไม่ใช้หนี้เบี้ยวนะหรือว่าความล้มเหลวความผิดพลาดในอดีตมันผ่านไปนานเป็นปีแต่ใจพอหวนคิดเนี่ยเป็นไงทุกโกรธเศร้าทาั้งทั้งที่ ในหัวสมองมันก็บอกนะว่าอะไรที่ผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้นะอดีตก็เป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วควรปล่อยควรวางอันนี้คือสิ่งที่เรียนมานะจากตำราหรือจากการที่ได้ฟังครูบาอาจารย์พูดหรือจากการได้ฟังขับสอรพุทธเจ้าแต่มันอยู่แค่ในหัวนะใจเนี่ยมันไม่มันไม่คล้อยตามนะนั้นต้องฝึกด้วยนะฝึกจิตนะ การเจริญสติเนี่ยมันช่วยทำให้ใจเราเนี่ยเป็นกลางกับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นสิ่งที่มากระทบไม่ว่าจะทางตาทางหูหรือเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วนะแม้มันจะอยู่ในความทรงจำแม้มันจะเคยทำให้เราเจ็บปวดอย่างไรทำให้เราโกรธแค้นแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราฝึกสติไว้ดีนะฝึกจิตเอาไว้มันก็จะไม่ไปหวน เอาเรื่องเหล่านั้นมาย้ำคิดย้ำคลุ่นนะหรือว่าถ้าฝึกจิต ด, ดีมันก็ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อดีตผ่านไปแล้วก็เออยอมรับมันซะหรือแม้แต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นเสียงดังนะแดดร้อนอากาศหนาวคนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักนะว่าเวลาเจอสิ่งเหล่านี้มากระทบเนี่ยใจเรามีปฏิกิริยาอย่างไรใจถ้าเรามีปฏิกิริยาในทางลบนะเช่นไม่ยอมรับ มันทุกใจทันทีเลยนะความทุกใจเนี่ยมันเกิดจากอาการดิ้นของจิตแล้วลองสังเกตดูความทุกใจเนี่ยดิ้นเนี่ยมันมีสองอย่างนะดิ้นเพราะอยากได้กับดิ้นเพราะอยากผลักดิ้นเพราะชอบเมื่อชอบก็ดิ้นอยากจะเอาอยากจะได้อยากจะครอบครอง ถ, ถ้าชอบผู้หญิงคนไหนชอบผู้ชายคนไหนก็เป็นทุกข์มากถ้าไม่ได้อยู่ใกล้เขาหรือไม่ได้เขามาเป็นแฟนเราเ หรือว่าของนะแบรนด์เนมอยากได้แต่ไม่ได้มันก็จะทุกข์อันนี้เราดินเพราะอยากได้กับดินเพราะอยากผลักไสเพราะมีความยินร้ายดินเท่าไหร่ก็ยังทุกข์ใจามากเท่านั้นแต่ถ้าเรามีสตินะเออมันจะจิตมันจะกลับมาเป็นปกติได้ไวอันนี้ก็ทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ได้ นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะเรียนรู้นะจากการมาวัดหรือจากการที่ได้มาใกล้ชิดพุทธศาสนาหลายคนมาวัดเนี่ยก็เพราะอยากจะได้ความสงบนะอยากจะได้ความสุขใจมาวัดก็ได้ความสุขได้ความสงบอย่างที่ต้องการนะหลายคนนะ่ะแต่ว่าอาจจะเป็นความสุขหรือความสงบชั่วคราวก็ได้เพราะว่ามาวัดแล้วเนี่ยเออ ได้เจอบรรยากาศที่สงบสงัดนะมันก็พอให้ทำให้ใจสงบไปด้วยนะหรือว่าอาจจะได้มาทำสมาธิภาวนาใจก็สงบห่างไกลจากปัญหาที่บ้านห่างไกลจากปัญหาในที่ทำงานใจมันก็สงบและเป็นสุขได้แต่ถ้าไม่พอนะจริงๆแล้วเนี่ยในการในการมาวัดหรือในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพียงแค่ เจอความสุขความสงบไม่พอนะมันต้องฝึกจิต จ, จนถึงขั้นว่าเจอความไม่สงบหรือว่าเจอกับสิ่งที่ไม่เป็นสุขนะเราก็สามารถจะอยู่กับมันได้โดยที่ไม่ทุกข์ถ้าหากว่าเจอความสงบหวังความสงบและได้ความสงบนะหวังความสุขแล้วก็ มาพบความสุขที่วัดหรือที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าทำถ้าได้แค่นี้นี่ยังไม่ยังไม่ยังไม่น่าไม่วางใจนะมันต้องมาถึงขั้นที่ว่านะแม้เจอกับสิ่งที่ไม่ใช่ความสุขนะแม้ความสงบจะหายไปแต่ว่าใจก็ไม่ทุกข์อันนี้คือสิ่งที่เราควรฝึกนะเวลาบอกว่าเนี่ย ให้เราพร้อมเจอสิ่งที่แย่ๆเนี่ยนอกจากการมาเรียนรู้ว่าสิ่งทั้งปวงมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วก็ต้องมาฝึกใจเราด้วยฝึกใจให้พร้อมนะที่จะรับมือกับความทุกข์กับสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่รักนะพร้อมที่เผชิญกับความไม่สมหวังได้โดยการเจริญสติโดยการทําสมาธิ เมื่อเจอสิ่งที่ไม่ชอบแต่ว่าสามารถทาใจให้เป็นปกติได้จนมันอยู่เหนือความชอบความชังจนอยู่เหนือความยินดี ย, นยินไลอันนี้แหละจะเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เราอยู่กับโลกนี้แล้วก็มีชีวิต อ, อย่างมีความสุขได้คือมีการเตรียมพร้อมเสมอนะตอนนี้เรามีความสุขตอนนี้เรามีความสำเร็จอันนี้ดีแล้วนะแต่อย่าประมาทอย่าตายใจ วันข้างหน้าอะไรๆก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้นะมีครอบครัวประกวดลูกป่วยหนักนะหรือว่าตัวเราเองเนี่ยนะก็เกิดป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่หายเกิดอุบัติเหตุเป็นอมภพอมภภา พ, าพาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะถ้าเราฝึกถ้าเราเตรียมพร้อไมไว้ก่อนนะถึงเวลามันเกิดขึ้นใจก็ไม่ทุกข์ร่างกายมันทุกข์นะแต่ใจไม่ทุกข์นะหรือว่า งานการอาจจะไม่ราบรื่น ง, งานการอาจจะล้มเหลวในวันหน้าแต่ว่าใจนะันก็ไม่ทุกข์อย่างหลวงพ่อคำแก่นท่านบอกว่าเนี่ยงานล้มเหลวนะแต่ตัวหลวงพ่อไม่ล้มเหลวนะคือท่านไม่ว่าเจออะไรนะจะถูกจะสมหวังแค่จะดีแค่ไหนหรือจะร้ายแค่ไหนใจท่านก็ไม่กระเพื่อมอันนี้เป็นสิ่งที่ พวกเราเนี่ยควรจะฝึกนะในขณะที่เรานะมีโอกาสมีเว ล, มเวลามานะมาวัดแล้วเนี่ยนะก็ต้องฝึกใจให้พร้อมที่จะเผชิญ น, นะกับสิ่งแย่ๆได้ซึ่งรอเราอยู่ข้างหน้าทั้งหมดนี้ก็เริ่มต้นจากการที่เราเนะเรียนรู้ที่จะรับฟังนะความจริงที่อาจจะไม่ค่อยรื่นหูเท่าไหร่นะความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน หรือว่ามีขึ้นแล้วก็ต้องมีลงมาจีเจริญแล้วก็มีเสื่อมเรียนรู้ไว้บ้างพวกนี้มันไม่ใช่การแช่งนะบางคนไปเข้าใจว่าถ้าไปไปฟังเรื่องพวกนี้มากๆเนี่ยมันจะเป็นการแช่งลบเจอลบหรือว่าลบดึงดูดลบที่จริงถ้าเราเรียนรู้เพื่อที่จะเตือนใจให้ไม่ประมาทนะแล้วถ้าไม่พอต้องฝึกใจด้วยฝึกใจว่าเมื่อถึงเวลาเจอมันเข้าจริง นะก็จะสามารถจะรักษาใจให้ปกติได้อาศัยสติก็ดีอาศัยสมาธิก็ดีรวมทั้งการฝูกใจจนถึงขั้นเห็นมีปัญญาเห็นว่าไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้เลยถ้ามีปัญญาถึงขั้นนั้นเนี่ยนะอะไรเกิดขึ้นกับคนรักของเราอะไรเกิดขึ้นกับทรัพย์สมบัติของเราอะไรเกิดขึ้นกับแม้กระทั่งร่างกายของเราไอความที่ยึดไม่ได้คิดว่ามันเป็นเราเป็นของเราอย่างแท้จริงเนี่ยนะ มันก็ทำให้ใจไม่ทุกข์นะเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นมันเป็นเช่นนั้นเองแต่ถ้าเรายังยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อไหร่ัมีความยึดมั่นถือมั่นไอ้สิ่งที่ยึดนั้นแนหะที่จะทำความทุกข์ให้กับเราอย่าลืมว่าอะไรที่ให้ความสุขกับเรานะมันก็สามารถจะยัดเยียดความทุกข์ให้กับเราไดนะ้ร่างกายที่ให้ความสุขกับเรา วันดีคืนดีมันก็อาจจะสร้างความทุกข์ให้กับเราเวลามันแก่เวลามันชราเวลามันป่วยทรัพย์สมบัติที่ให้ความสุขกับเราก็สามารถจะทาความทุกข์ให้กับเราได้นะเวลามันเสื่อมไปรถที่เคยให้ความสุขกับเรานะมันสามารถทำให้เราคุ้มครั่งจนนะอาจจะกลายเป็นบ้าไดนะ้เวลามันถูกชนนะรือว่ามีคนขโมยไป สูกที่ให้ความสุขกับเราก็สามารถทำให้เราเป็นทุกข์ได้เวลาเขาเจ็บเวลาเขาป่วยนะเวลาเขาไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดนะไม่ฟังคำสอนของเราไม่เรียนตามคณะที่เราต้องการหรือไม่ประกอบอาชีพที่เราเลือกให้นะทุกเลยนะอันนี้คือคือความจริงที่เราต้องรู้นะต้องตระหนักและถ้าไม่อยากจะทุกขนะ์ก็ก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันมากอะไรที่มันให้ความสุขกับเราก็รู้ ก็เตือนอยู่เสมอว่ามันน่าอาจจะแปลผันนะแล้วถ้าเราตำหนักอย่างนี้อยู่เสมอเนี่ยเราก็ทําใจได้เวลามันแปลผันไปจะคมาใจก็ไม่ทุกข์ความสุขอะไรที่มีอยู่นะก็ไม่ยึดมันว่ามันจะต้องเที่ยงรู้ว่ามันไม่ไม่น้ำก็แปลแปรผันแปลเปลี่ยนไปเรียกว่าอยู่กับสุขนะโดยที่นะไม่ไปยึดมั่นกับมันมันก็จะทําให้ใจไม่ทุกข์เวลาสุขนั้นแปลเปลี่ยนไป อันนี้คือคือสิ่งที่เราควรฝึกนะแล้วก็อย่าง น, น้อยๆก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ถึงเวลามันเกิดขึ้นจริงก็จะได้ไม่ฟูงฟ้งไฟไม่ตะยกโชคหัวหรือไม่เสียศูนย์เอาละคํานี้นวเพื่เท่านี้กลับพระ